ญาติโยมทั้หลายวันนี้เป็นวันสุดท้ายของ่ารเสิยงหาคงแต่ไม่เช่ที่สนิเบตน ะ, ะก็คงพูดเรื่องปัญญาบารมีแต่ว่าวันนี้จบจบหลักสูตรพุทธศาสนาหลักสูตรุทศาสนาจริงๆก็มีวันหนึ่งส ก, กายยะทิิ สองวิกิจชาสามสิริปต์ตาปรมากสี่กามฉันทะห้าปริฆะหกรูปราชะเจ็ดอรูปราชะแปดมันนะเก้าอุจจจะสิกริชชาที่บอกว่าจบเพราะอะไรเพราะว่าสังโยชน์ส า, สามข้อต้นเป็นเบโซเบตาบัญกาัติธาคามี ถ้าถึงข้อที่ห้าเป็นพระนาคามีถ้าถึงข้อที่สิบปฏิบัติได้เป็นพระาราหันนี่จะจบกันนะไงให้เราอ่านหนังสือมากตอนนี้ก็มาคุยเรื่องปัญญาบารมีท่านพูดใดจะจับได้ข้อไหนจะทำได้เพียงใดก็ตามใจท่านดีทั้งหมดอย่างข้อที่หนึ่งที่เรียกว่า ก, กายยติทิฐิ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 ท่านวิธีศึกษาวิธีศึกษาถ้าเราจะอย่างที่ภาษาที่บุตรบอกพระจะหาว่าสูงเกินไปเราไม่ได้เพราะท่านที่นั่งอยู่นี่จะหมดไม่ทราบว่าใครมีบารมีขั้นไหนจะรู้ได้ยังไงใช่ไหการแต่งตัวมีสร้อยใส่เจ้ากิเลสน้อยเราไม่ได้ฮะ มีแหวนสะแหวนเพรใสว่ามีกล็ดหนาก็ไม่ได้อย่างเราวิสาขาท่านใช้เสื้อทองคำมีเพชรเพิ่วดดับท่านถ้าเป็นประโสดาบันก็ลงความว่าขึ้นชื่อว่าบา ร, รมีนี่เราวัดกนไม่ได้บา ร, รมีเป็นกลังใจวันนี้ใช้ปัญญาบา ร, รมีใช้ปัญญาบา ร, รมีข้อเดียวก็คุมบา ร, รมีทั้งหมด การใช้ปัญญาบารมีก็ตัวอย่างอย่างที่พระไปเรียนกรรมฐานกับพระพุทธเจ้าพระบทใหม่เมื่อพระพุทธเจ้าสอนต้องต่ต้นยันปลายแล้วถ้ากระลายจะเข้าป่าพระพุทธเจ้าถามว่าเธอเวลาสาธิบทแล้วหรือยังนั่นหมายความาว่าพระเจ้ทาทรงทราบทั้งเท่าที่มันไม่นักกันนะไม่นัดกันพระเจ้ทาทรงทราบว่าถ้าไปหาพระสาธิบทพระสาธิบทจะพูดไปยังไง <c oughs> พระก็บอกว่าอย่างพระเจ้า ก, ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเธอจะไวลาสาธิบดก่อนอันดาพระทั้งหมดก็เวลาประสิทีิบทเพระผมจะเข้าป่าพระสาธิบดก็แนะนำตามสมควรต่อมาพระพวกนั้นก็ถามว่าเวลานี้พวกผมไม่ปุถุชนต้องการเป็นป โ, โสดาบันจะทำยังไง ภาษาทีบอก็เลยบอกว่าเธอจงตัดขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเธอรู้เอาเรืองของร่างกายใช้สักห่ายคือร่างกายเห็นไหมร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราถ้าเธอตัดไอ้เล็กน้อยเธอก็เป็นพระโสดาบันคิดจะดีนะ ถ้าต่อมาพระปรานก็ถามว่าในเมื่อผมเป็นพระโสดาบันแล้วต้องการเป็นสภาพเศ ร, รษกิจทางธรรมีจะทำยังไงพระสารีบุตรก็บอกว่าทําแบบนั่นแหละก็ตัดรูปเวท น, นาสัญญาสังขารวิญญาณว่ามันไม่ใช่เราไม่ของเร า, เร า, เ, ราเราไม่มีในขันท่าขันท้าไม่มีในเราก็าเป็นลำบาก ท, ท่านเป็นเศรกิจทารรามีพระประธานกถาา็ถามว่าถ้าผมเป็นพระเศรษกิจทางธรรมีแล้ว จะทํำยังไงที่เป็นพระนาคามีถ้าบอกตัดอย่างเดียวกันต่อมาก็จิตใจมันก็เบื่อร่างกายร่างกายสมบกุสกสมคราอารมณ์ไม่โกรธใครก็เป็นพระนาคามีถ้าคนก็ถามว่าถ้าผมทําเป็นพระนาคามีแล้วจะทำยังไงก็บอกตัดรูเปเวทนาเสัญ ญ, ญาวทั้งขันทัญงาณถ้าถึงที่สุดจิตเป็นสังขารระเบิดกรใหญ่ก็เป็นพระอรหันต์ถ้ามาอย่างพวกเราก็จะเป็นจุด อันดับแรกถือว่าเอาจบที่ง่ายที่สุดคือพระโสุดาบั น, นงา่ายไหมง่ายไม่ยากสําหรับสกายจติติที่ต้องตัดเป็นสามชั้นไม่ใช่อยู่ๆก็อย่างคิดว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีไม่มีร่างกายร่างกายไม่มีในเราคือความจริงมันสับเดียวกันแต่ ว, ว่าถ้าพูดแบบนี้มันยาก ถาพูดให้ง่ายลงให้มีความรู้สึกร่างกายนี้ต้องตายเราเองก็ตายคนอื่นก็ตายตายทั้งหมดเหตุการที่สองถ้าตายแล้วสภาวะมันไม่ศูนถ้าจิตประกอบไปเจออกุศลนั่นก็ไปสวดไบยภูมิถ้าจิตประกรบอบด้วยกุศลนั่นก็ไปสวดสุขติแล้วก็เลือกหาทางสักซักซ้อมจิตให้ติดอยู่ในกุศล อย่างที่เราจะเรียนฐานพราพุทธหรือธรรมโหรือสังโฆเป็นต้นเอาแค่พุโทโธอย่างเดียวก็พ อ, อเอาดาวพุทโธจนชินนะเอาศีรษะทึงหนอนให้ท่านจับตาจิตก็ว่าพุโทโธให้ใจเข้านึวกว่าพุธทธใจออกสัมโธอันนี้เป็นมาหาภูษณ์ใหญ่หรือว่าธรรมโหรือสังโฆก็ได้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งเฉพาะ ท่านี้มาตามสัโยชน์สิท่านบอกว่าให้ตัดวิจิกิจฉาคือความสงสัยในพระเจ้านั้นไปทำในพ ร, ระสงฆ์ยอมรับนับถือด้วยความจริงใจสำหรับพระสงั์ในบทอิติวิโสถ้าถือว่ายอมรับต้องถือตั้งแต่ปะโสดาบันขึ้นไปยังไม่ถึงปะโสดาบันนี้ไม่แน่พระองค์ก็าดารับถือพระองค์ไม่ได้ออ ร, ออรับถือนะ เนี่ยไม่เหมือนกันเราก็ต้องเลือกพระเฉพาะองค์ไหนที่เราเห็นว่าสมควรเราก็ยอมรับนับถือองค์นั้นโดยเฉพาะเจาะไปองค์ใดองค์ห น, นก็ได้ถ้านับถือพระพุเจ้าทําไงไม่ยากเห็นพระพุทธรูปอยู่แล้วใช่ไหมที่นี้การนับถือพระธรรมก็คือยอมรับนับถือคําสอนของพระองค์ตั้งแตพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คำสงสอนพระเจ้าอย่างยอ่อคือหนึ่งสัพ ป, ปาปัสสะกระนังซึ่งแปลว่าถ้านอนหลายจยุนยางจงละความชั่วทุกอย่างสองกุศลกุศลสุภสมุทาจงทําแต่ความดีสามสัจจิตตาประโยชน์สัพนังจงทําจิตใจวองสายใจกิเลสเอตังพุทธานศาสนังทรงยืนยันว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์ตัอย่างนี้เหมือนกันหมด เราก็ยอมรับถือว่าพระเจ้าสอนดีหนึ่งละความชั่วสองประพฤติความดีสามทำดีใจผ่องใสใจกิเลสนี่เรายอมรับใช่ไหมการจะยอมรับก็ถือก็ต้องอาศัยเหตุผลแล้วต่อมาสำหรับพระอริยสงฆ์พระอริยสงฆ์นีตั้งแต่ประโสดาบนันไปก็เริ่มเริ่มเริ่มเริ่มเลิกยุ่ง เือเลอกยุ่งในภาวะต่างๆของชาวโลกพออารมณ์น้อยลงนะจิตเยือกเย็นรู้จักกฎธรรมดามากขึ้นคือไม่มีอารมณ์โนเฉียวความโกรธยังมีนะพระโสดาบันนี่ยังมีความโกรธนนะแต่โกรธไม่นานพระโสดาบัญรักษ์สวยรักงามพระโสดาบันยังมีความหลงในร่างกายแต่ไม่ลืมความตาย ครื่องความพระโสดาบันของเราเหมือนกันท่น <Yes. S 2> <petition> ี้ทําไมจะเรียกพระโสดาบันต่างแตกต่างตรงไหนพระเจ้าสุตตว่าพระโสดาบันหนึ่งมีสมาธิเล็กน้อยสองมีปัญญาเล็กน้อยสมีศิลบริสท์ข้อนี้สําคัญพระโสดาบันอยู่ที่สิน เพราะว่ามีมี ม, มีสมาธิเล็กน้อยหรือไม่ความว่าถ้ามีกำลังใจแค่ปฐมฌานก็เป็นปโสดาบันได้มีปัญญาเล็กน้อยเห็นว่าร่างกายมันต้องตายมันต้องตายแน่เวลานี้ไม่ตายวันหน้ามันก็ตายในเมื่อมันจะตายเราก็ไม่ยอมไปอภัยภูมิยเถิดพระพุทธเจ้าพระธรรมท้าวอริยสงเป็นที่พึงยอมรับก็คือด้วยความจริงใจ หลังจากนั้นก็ส่งสินไหวบริสุทธิ์สําหรับฆราวาสอย่างนี้ถ้าเด็กประสูติดาบันขั้นศัตรูขัดตรงอย่างอ่อนคือแม้่าจะเป็นประโสดาบันอย่างอ่อนก็ตามก็ไม่เกิดในายในภูมิอีกเราจะทําบาปมาแล้วเท่าไรก็ตามอบอายภูมิไม่ไปกันแน่คือไม่เกิดเป็นสัตว์นกไปเกิดเป็นเปรตไม่เกิดเป็นสุรกายไม่เกิดเป็นสัติฉาน มีอย่างเดียวกับมาเกิดเป็นคนโปรเทวดาร์ดพรมถ้าว่บถ้าเป็นเโสดาบันยังอ่อนก็ต้องกลับมาเกิดเป็นคนอียิจต์ชาติเป็นเทวดาดัลพรมเจ็ดชาติสลับกันจึงเป็นพระอรหันต์ถ้าต่อไปเปโสดาบันขั้นโกรันโกระขั้นกลางนอกจากราีลห้าแล้วก็มีกำหมดสิบคบคู่ไปด้วยกำหมดสิบกับศีลห้าเหมือนกัน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 แล้วก็ไม่จองล้างจองฝันงดเรื่องกันที่ไม่จองล้างจองผนันแล้วก็ยอมรับรับถือคําสอนขององค์สมเด็จพระธิสมมาถึงพุทธเจ้าที่เรียกว่าสมมาทิฏฐิ <c oughs> แต่ว่าสําหรับกำหนดสิทธิเขาบอกโสดาบันขั้นสัตตะกตุงยังต้องระวังอยู่ต้องระวังนะที่ว่ากำหนดสิทธิมีอะไรบ้างต้องระวังยังอาจจะมีเพล่บ้าง แตงสินห้าไม่เคยแน่ต่อไปก็ประโสดาบัญขั้นเอกวิชีคัเอกวิชีนี่สินห้ากับคำประศิษฐ์ไม่ต้องย้ำไม่ต้องเตือนมันจะทรงตัวเองแ้่ถ้าเป็นประโสดาบัญขั้นเอกวิชีนี่บางคนบางท่านเผลอบางทีคิดว่าเราเป็นพระราหารันอารมณ์ละเอียดมาก ได้รียกว่าบางท่านเราคว่าเป็นประสาางค์เรียกสกิทาคามีพระเราละเอียดมากยอกเย็นมากต่อไปพระสกิทาคามีก็มีสภาพเช่นเดียวกับประสงค์ดาบันขัานเอกพิชีตัดสัญญาศาส์เหมือนกันแต่ใช้กําลังปัญญาปรมีสูงกว่ามากเพื่อหนึ่งเห็นว่าชีวิตนี้มันต้องตายมัอาจจะตายวันนี้อยู่เสมอ เราจะต้องทำความดีควบตัวไว้จิตใจมีความสุขคือไม่สนใจความโกรธพันการินทาว่าร้ายไม่สนใจคํามบันเสรนกระบวนการที่สองจิตบรรเทาความโลภบรรเทาความโกรธบรรเทาความหลงทั้งหมดเจ็ดจิตมีความเยืกเย็นมากแต่ตัดสัญญาณสามในสามือ็นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราจะสังเกตระสัทธาคามี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 อร้องพระสิกาคารีนะถ้าอ่านหนังสืแล้วไม่รู้เรื่องแน่ไม่พบหรอไ<ม>ปค้นหนังสือแไม่พบหอกนี่ต่อไปเจ้าก็ไปตัดอร้องพระนาคามีวันซืนนี่มีคนมาถามว่าพระโสดาบันสามารถทําได้ <c oughs> แต่ก็าข้อใจเข้าใจที่พระนาคามีมันได้ไม่หมดตอนนี้ก็ไม่แน่ สำรัพระนาคามีก็ต้องจับหนึ่งกามชันทะตัวนี้ต้องตัดด้วยกายยกตารูสติกาสุภการสุกมฐานกายยกรตารูติคือเว่าเห็นร่างกายที่เป็นกายยตารสตินะอาการตสองอสุภกรมฐานคือสุกก ใ่้ร่างกายเราก็ดีร่างกายคนอื่นก็ดีเต็มไยความโสโปรกโสโครกไม่มีส่วนไหนของร่างกายดีไม่มีส่วนไหนร่างกายสะอาดเบื้องต่ำตั้งแต่ฝา่าเท้าถึงเบื้องสูงที่ปลายผมจากเบื้องสูงที่ปลายผมถึงเบื้องต่ำรือฝา่าเท้าสโปรกทั้งหมดเมื่อเราเห็นว่าโสกรปรกความเบื่อก็เกิด นาวกบบรรารเข้ก็เบื่อเบื่อมากเบื่อร่างกายตัวเองคล้ายๆกับสุนัขเนา่าเชื่องูเน่าใชมันเบื่อถ้ารอรมณ์เบื่อในสกายยที่ติตัวนี้เป็นพระ อ, อนาคามีแต่แล้วเมื่อตกกัดกรรมอฉันท์ได้ไอตัวปฏิฆะมันก็หายไปไม่ต้อตัดมนันหรอกตัวความโกรธก็หายไปไม่มาเพราะไม่ถือว่าร่างกายของเราดีแล้วให้ดา่ามันก็ด่าร่างกาย เขาไม่ได่าใจใช่ไหมแต่ตัวปฏิฆาคกืองไม่ชอบใจก็สลายตัวไปถ้าไม่สลายตัวไปแล้วก็ใช้พรมิหารสรีให้่ก็ถึ่งเมตตาความรักสองคนาความสงสารสามลตาไม่จิตอ่อนโยนไม่ฉาิสยาใครใครได้ดีดีใน ด, ด, ด้วยสี่เบิขาวางเฉยจิตคิดรักคนแลนะสัตว์ทั้งโลกตลอดเวลา จิตคิดสงสัยคนนนสัตว์ทั้งโลกตลอดเวลาจิตยินดีกับบุคคลทั้งโลกกินเขาไม่เขาทําได้ดีตลอดเวลาจิตมือเบลขาเมื่อใครเพื่อนพิมไม่ซ้ําเติมทําไมความว่าเขาถุกมีทุกข์หนักเราไม่มีโอกาสจะช่วยได้เราก็เฉยไ ว, ไว้ไม่ไม่ซ้ําเติมจิตมีความสุขเพราะว่าถ้าใช้ใช้ใช้คำมิหารสี่ไม่เป็นที่ถูกใจ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 ทุกมาจากตันหาคือความอยากใช่ไหมถ้าเราไม่มีตันหาความทุกข์มันจะเกิดตอนนี้มันมักก็ปฏิบัติแล้ปฏิบัติอยู่แล้วโยทะความทุกข์หายไปความโกรธหายไปเป็นพระอนาคามีคุณผู้ฟังย่อๆนะพระที่าอธิบายยาวเสิ ต่อไปเมื่อความโกรธหายไปความรู้สึกทางเพศหายไปจิตเห็นขอ ง, ของสวยๆสวงามไม่ไม่ติดใจเป็นพระนาคามีถ้านาคามียนะี่สังเกตไม่ยากมีที่สังเกตนะคือว่าทุกคนกินข้าวร้อนหมดไม่กินข้าวเย็นถ้านาคามีนะี่ไม่กินข้าวเย็นแต่กินข้าวร้อนอย่างนั้นเธอคามี คือว่าพระอนาคามีถ้าจิตเข้าถึงจริงๆจะรักษาสิ้นแปโดยเฉพาะไม่มีการบังคับร่างกายและจิตใจให้รักษาสิ้นแปดจิตจะทรงศิ้นแปเองโดยปกติเป็นธรรมดาเลยอันนี้เป็นพระอนาคามีเห็นไหมถ้าพระโสดาบันเ ก, กษตราคามียังสงสาาแค่สินส้นห้ากับหมดสแค่ต่อไปถ้าจะเป็นราหัน ถ้าไปพระนาคามีและไปพระอาหารหันต์ก็ไม่ยากที่พูดท่านฟังนะให้ที่ไม่ยากเลยเอาเข้าจริงๆมันไม่ง่ายนะแต่ความจริงข่าอาหารหันต์นี่ไม่ยากจริงๆมันยากอยู่พระโสดาบันยากจริงๆที่โสดาบันอย่างเดียวถ้าถึงรโสดาบันน้วทุกสิ่งทุกอย่างมาเรียบร้อยหมดจิตใจเป็นสุดหมดสักง่าย สำคัญประโสูดาบันในขึ้นให้ได้ถ้ต้องการอจะเป็นทหารก็ต้องตัดที่5ข้อคือในรูปราคะไม่หลงในรูปฌานคนที่มีปัญญาขนาดนั้นเนี่ยเขาไม่หลงในรูปฌานอยู่แล้วใช่มสองสองอรูปราคะไม่หลงในรูปฌานขนาด อ, นอนาคตมีจะหลงในรูปฌานรูปฌานนี่ไม่มีแล้วแต่พระเจ้า ก, กระส่งตัดความแววสายวิจิตร เพื่อกระดละเอียดน่าจะมีในใจได้สา ม, มานะไม่ถือตัวไม่ถือตนไม่ดังเกลียคนสุขประกเชียงพวกหมอเนี่ยหมอเขาไม่ังเกลียดสุขประโตกบอกว่าขี้เยี้ยวก็จิบได้ใหญ่ฝันเลี้ยงลูกเพื่อว่าไม่ถือเราดีกว่าเขาแล้วเสมอเขาแล้วเลวกว่าเขา ือว่าคนก็คือคนคนไมทธาตุสี่เหมือนกันคือธาตุน้ำธาตุดินธาตุดอธาตุไฟในร่างกายเต็มไปความสรงบอกโครกเหมือนกันไม่ถือตัวแ่อตัดมานะอารมณ์ที่ฟุง้งซ่านคิดว่าไม่ต้องการานิพานนั้นเลิกกันต้องการเฉพาะวิพานถ้าขั้นสุดท้ายตัดอวิชชาอาวิชชาแปลว่ารู้ไม่ครบ แต่ตามหนังสือบอกอาชีพเรไม่รู้แต่ว่าสมเด็จพระสุตานุบาลอาจารย์โตสแปลรู้ไม่ครบถูกของท่านไอ้คนที่เกิดมาในโลกจังไม่รู้ไม่มีอะเห็นไหมอาจารย์ก็รู้หมักใช่รู้พ่อรู้แม่รู้พี่รู้น้องรู้กินข้าวรู้หิวรู้หนาวรู้ร้อนเห็นไหมมันรู้อันที่รู้เหมือนกันหมด นอกจานั้นวิชาการอย่างอื่นก็มีความรู้เขาต้องรู้แต่ที่ที่ไม่รู้คือไม่รู้อริยสัจ ส, สี่ขาดอริยสัจ ส, สี่นะแล้วต่อมาถ้าตัดวิจารวิชาตายังไงถ้าตัดการี่พูดนี่ตัดยากในขันธว่าพุทธเจ้าส่วนตัดวิชาว่าแยา ก, นน ก, กเป็นสองส์คือว่าชันทะชันทะกับราคะต้องดูพุทธเจ้าสอน ฉัน้นทะคือหนึ่งมีความพอใจในมนุสโลกพอใจในเทวโลกพอใจในพรมโลกราคะเห็นว่ามนุสโลกสวยน่ายอยู่เทวโลกสวยน่ายอยู่พรมโลกสวยน่าอยู่อันนี้ถือว่ายังมีอวิชชาอยู่ เพื่อนแท้ไร้ใจก็ต้องใช้ความจริงใช้ปัญญาคิดดูต้องใช้ปัญญาอันที่วนทะี่เรพูดเรองปัญญาบารมีนะก็ใช้ปัญญาบามีคิดดูว่าชาวโลกทุกคนมีใครมีความสุขบ้างไม่มีอ่ะก็รวความว่าตัดอวิชชาเนะีคือฉันทา ก, กับราคะให้ใช้ปัญญาพิจ า, ารณาว่ามนุษย์โลกเต็มไปด้วยความทุกข์ เทวโลกกับพุระโลกมีความสุขจริงไม่มีความทุกข์แต่อยู่ไม่ได้นานถ้าหมดมวิบากสนาิวรรธน์ก็ต้องกลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดแค่เป็นมนุษย์ก็เป็นทุกข์ถ้าบาปมันยังเหลืออยู่ปรงภ า, งาภรองอใบยพูนจะทุกข์น้ำมากกว่าวันนี้มากฉะนั้นในตน้นบั บ, บนี้็ต้นไปเราไม่ต้องการมนุษย์โลกเทวโลกกับพโลกเราต้องการนิพพานจุดเดียวแค่นี้นะ แต่ผูดอย่านี้ม่ยาวไปนะถ้าวิธีปฏิบัติที่ผูดตามลำดับถ้าพูดตามแบบนักปฏิบัติจริงๆเอาสองอย่างนะนักปฏิบัติจริงๆนี่ถ้าเขาเป็นประโสดาบันในที่นั่งใดเขาจะทําตัวเป็นพระอรหันตนในที่นั่งนั้นพอถึงขั้นประโสดาบันจริงไหมควจิตมีความรู้สึกตางควา ม, มจริงมั่นใจ ว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงยังไงยังไงร่างกายนี่มันต้องตาย้เรายอมรับรับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจแต่การต่อไปเราจะทรงสินให้บริสุทธิธ์ทุกขาบทเราจะลองกำลังจิตแม่นค ง, งถ้าเราเอิญกำลังจิตแม่นคงแบบนี้ต่อบายไปจิตก็เข้าทังโครตครคุญา เพราะจิตข้าวังโครตรภูยานอารมณ์มันจะรักนิพพานโดยเฉพาะอย่างอื่นใครจะมาชวนจะเกิดเป็นนุสเถรดาที่ผมมัไม่ไปจิตต้องการอย่างเดียวคือนิพพานหลังจากนั้นความเป็นโสดาบัยก็เข้าถึงมมเมื่อความเป็นโสดาบัยเราถึงจิตก็ยอมรับทัรมทีก่กดธรรมดาเห็นว่าทุกอย่างในโลกเป็นของธรรมดาหมดยิงธารก็ธรม ร, ธรมดาส้นเส้นก็ธรรมดา ความแก่เกิดขึ้นกับของธรรมดาความป่วยไข่เกิขึ้นกับของธรรมดาความตายจะมาถึงก็เป็นของธรรมดามันเป็นธรรมดาหมดแต่ว่าจะมีความกโกรธโกรธประเดี๋ยวเดียวมันก็หายถ้อโกรธเป็นความชั่วเป็นของไม่ดีพอจิตเขาระดับนี้เขาตัดอวิชาทันทีจับตัวยอดเลยตัดฉันท่ากับราคะขึ้นชื่อมนุษย์สัตวโลกเทวโลกระเงโลกไม่มีสําหรับเราต่อไปอีก เราต้องการอย่างเดียวคือ น, นิพานเห็นไหมแค่นี้แงงเป็นอาหารนี่นักปฏิบัติจริงๆก็ทางแบบนี้นะเขาไม่ไปนั่งไปไล่เบียระโสดาคทาค า, า, าราคารอาหารพอถึงโสดาบันจริงก็ตัดอาหารเลยตัดทั้งอาหารเป็นไงจิตเป็นสังขารเปิดขา ย, ยานมันจะวางเฉยทุกอย่างคุยสนุกก็คุยได้เวลาเนี่ยคุยสนุก ล้อเล่นก็ได้ด่าคุก็เป็นเท่าไรไหมต้องทำแบบนิ้วถ้าใครทำไม่ดีต้องทำท่าเป็นโกรธใช่ไหมยอย่างรพระพุทธเจ้าเองพระเจ้ามีวิมัยพระสงฆ์ปฏิบัติ227ข้อยังมีพิสมาจารย์อีกนั้นบทลงโทษน ะ, ะเห็นไหมละ่ะ ถ้าใครทําผิดลงโทษงด้วยความหวังดีพี่พระอรหัก็เหมือนกันถ้าใครทําผิดพระอหนก็ต้องลงโทษถ้าเป็นลูกศิษย์ก็ต้องทําท่าดุดันเขาจะน่าหน้ายิ้มยิ้มด่าได้มหมไม่เป็นเรื่องต้องแยกเขี้ยวได้ก็ไม่ว่าต้องทาท่าตำทางมันม้นอกโรงถ้าเข้าไปในโรงนั้นคุยกันดีใช่ไหมออกโรงก็วักฉังวักฉั่งจะตะีตายจะ่าตายไอย้นี่หมดเวลาแล้ว ตอนนี้ไปบขาไม่ไดกโยมเขาจะไปสัตวต่างหลายตั้งใจสมาทานสีนสมาทานกรรมฐ า, าน